สองทิตก่อนต่อมาก็ได้มีโอกาสไปประเทศพมา่าไปพมา่าเมืองแรกที่ขาดไม่ได้หรือว่าต้องไปก็คือย่างกุ้งนะแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองหลวงและนะ้วเมืองหลวงคือในปีดอนะแต่สาหรับคนไทยนะย่างกุ้งก็ยังคื อ, อยังเป็นเมืองหลวงของพมา่าอยู่ไปย่างกุ้งแล้วถ้าไม่ได้ไปเจดีชเวดากองนะก็เหมือนกับไปไม่ถึงใครที่ได้ไปเจดีชเวดากองก็จะประทับใจนะ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 ไปทำบุญไปบูชาพระนะไปสักการะพระเจดีย์พระบรมธาตุนี่หายากมากก็ไม่มีเลยด้วในเมืองไทยนะหลายคนที่อยู่กรุงเทพนะจนบัณ น, นี้ก็ยังไม่เคยไปวัดพระแก้วหรือว่าไปวัดโพเลยนะหรือว่าถ้าไปก็เพราะโรงเรียนพาไปไม่ใช่เพราะพ่ อ, พอแม่พาไปแต่ในย่างกุก้งนี่พ่อแม่นี่เนะเรียกว่าพาลูกเล็กเด็กแดงนะไปวัด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 ที่วัดนะก็ถือโอกาสทําบุญนะถือโอกาสาสักการะบูชาพระพุทธรูปต่างๆนะซึ่งมีอยู่หลายรอบพระเจดีย์นะสี่มุมสี่มุมนะของพระเจดีย์เนี่ยก็เป็นพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะในในกำเนี่ยคือพัทธักรณ์กำเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สองค์คือพระพุทธเจ้าในอดีตนะ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 เรียกว่ายิ่งกว่าย่างกุ้งนะย่างกุ้งนี่ถือว่าศรัทธานี่เรียกว่าหนาแน่นแลนี่ไปมันเดเลนี่ก็ยิ่งยิ่งทึ่งก็ใปใหญ่แล้วก็ยิ่งเมืองรอบรอบมันเดเลนะเช่นอินวะอินวะหรืออังวะเนี่ยนะส ก, กายหรือสกแกงอมอนปูราพวกเนียยิ่งห่างเมืองเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็ยิ่งเห็นวัดใหญ่ๆที่มีพระเนนชีมาบวชบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อเรียน มีวัดหนึ่งคนไปนักท่องเที่ยวไปดูกันมากเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีพระเยอะเนนก็มากเป็นพันสองพันได้มาดูอะไรมาดูพระเนรเนี่ยมาฉันอาหารนะเพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่พระเนนนี่จะมากันเยอะแยะเต็มวัดเลยนะแต่ว่ามาแบบเป็นระเบียดนั่นนงอ่าเรียกว่ายืน แล้วเข้าคิวเข้าคิวยืนรอแล้วคนก็นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันนะคนไทยไม่ค่อยไปแต่ฝรั่งไปกันเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะที่มีพระเนนแล้วก็ชีเนี่ยเป็ น, เ, ป น, เ, น, นกกเนี่ยเป็นพระเนนมากกว่านี่เป็นพันนำมาฉันอาหารฉันมื้อเดียวนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเยอะนะของเรานี่อาหารการกินนี่สมบูรณ์นะแต่ที่นั่ น, นไม่สมบูรณ์นะแต่ก็มีคนมาเบว่กันเยอะเพราะว่าถ้าไม่บื่แล้วเนี่ยอาจจะลําบากนะคนพมาน่านี่ยากจนนี คนที่มีลูกมากเนี่ยก็ต้องหาทางส่งลูกมาบวชบวชเนนตั้งแต่เล็กๆ 7-8 ดดขวบแล้วหรือไม่ก็ถ้าโตนกะก็ส่งลูกไปเป็นาหารถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นชีนะเห็นชีเล็กๆ 7-8 ดดขวบมาสวดมนต์เป็นกลุ่มนะห้าสบสิบคนที่เจดีช่วยตกองแล้วก็น่าปลื้มใจนะอันนี้ก็เป็นภาพทีอ่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อเห็นความแตกต่างนะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพม่านี่เขายัางไม่มี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 พระบวชเนน้อยลงเพราะว่าโรงเรียนเขามีการศึกษาภาคบังคับก็อยากมีความรู้ก็ต้องไม่ไปต้องเข้าวัดล้วนะมาเรียนโรงเรียนของรัฐอย่างที่เมืองไทยเป็นอยู่ทุกวันเนี้เนนมีน้อยลงนะบางอําเภอนะในในเมืองไทยไม่มีเนเลยนะเสาให้มือเท้าปีก่อนมีทั้งอําเภอมีเนรูปเดียวนะป่านที่คงไม่มีแล้วล่ะนะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับยุคสมัยนะอะมีเรื่องที่จะประกาศคือว่าอ ญาติยโยมเนี่ยเวลาทานอาหารเสร็จแล้วนะข้าวที่เหลือเนี่ยนะอย่าเอาไปเลี้ยงหมานะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใส่บาตรมาเพื่อจะถวายพระแล้วก็ญาติยโยมจะเอาข้าวเหนียวไปทานนี่ก็เขาก็นุมโมทนานะแต่ว่าเขาคงจะไม่ค่อยสบายใจนะถ้าเห็นข้าวที่เขาถวายพระหรือถวายให้มอ้มอย ก, กับผู้ปฏิบัติธรรมมาไปเลี้ยงหมานะ แต่ไม่ต้องกลัวหมาออตายนะเพราะว่าครัวก็จะดูแลเลี้ยงอยู่นะหมาพวนี้เก็ชาวบ้านก็เอามานะเอามาให้วัดนะวัดเขาทาหน้าที่เลี้ยงนะเลี้ยงนี่ก็อาศัยอ า, อาหารนะที่เหลือนะแต่ว่ า, าไม่ใา่เป็นข้าวเหนียวนะเพราะว่ า, าชาวบ้านเขาสำหรับชาวบ้านข้าวเหนียวนะั่นคืออาหารที่เขาอยากจะมาถวายพระแล้วก็เพื่อแผ่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เตรียมรับพร